มทรอีสานให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสมาคมมิตรภาพไทยฮิโรชิมา่านำเยี่ยมชมโครงการระบบรางของวิทยาเขตขอนแก่นพร้อมข่าวหารือกับการสนับสนุนโครงการระบบรางของมทรอีสาน วันที่7เมษายน2562ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีโรดลิมไขแสงอธิกรรบดีมทรีสารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประจําวิทยาเขตขอนแก่นได้ให้การต้อนรับหลวงพ่อทึสกิประธานสมาคมมิตรภาพไทยฮิโรชิมาพร้อมคณะกรรมการสมาคมในโอกาสเยือนมทรีสารวิทยาเขตขอนแก่นเพื่อร่วมประชุมหารือแนวทางในการพัฒนาและสนับสนุนการวางระบบรางและระบบไฟฟ้าสําหรับรถแทมเพื่อใช้ในการศึกษาด้านระ บทร่างที่วิธีเกีขอนแก่นโดยคณะทํารรงานศูนย์วิจัยฝึกอบรมระบบขนส่งทางรางของวิธีเกียรขอนแก่นได้รายงานผลการดําเนินงานโครงการแถมน้อยพร้อมนําชมห้องปฏิบัติการวิจัยระบบขนส่งทางรางระบบอนาสัญญาณสถานีซ่อมบำรุงการสั่นสะเทือนระบบล้อเลื่อนรถไฟฟ้าปรับอากาศห้องปฏิบัติการวิจัยเครื่องจักรกลไฟฟ้าสําหรับระบบขนส่งทางรางและนําเยี่ยมชมรถแถมรุ่นฮิโรเดน907 ที่ได้รับมอบจากฮิโรชิมา่าซึ่งตั้งแสดงอยู่ณสารหลักเมืองจังหวัดขอนแกน่นซึ่งการหารือในครั้งนี้ประธานสมาคมมิตรภาพไทยฮิโรชิมาได้กล่าวชื่นชมยินดีที่ได้มาเยือนวิทยาเขตขอนแกน่นและพร้อมให้การสนับสนุนโครงการระบบรางของมอเรอยสานวิทยาเขตขอนแกน่นอย่างเต็มที่จิตสุภาประหาประชจสัมพันธ์และเผยแพ ร, ร่มทร์รอยสานรายงานอุทยานแห่งชาติหาญนภรัธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี เผยหลังปิดอ่าวมายาสิบเดือนพบธรรมชาติเริ่มฟื้นฟูระบุยังคงปิดอ่าวมายาต่อไปอย่างไม่มีกําหนดนายวรพจน์ล้อมลิมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติฐานนพรัฐธาราหมู่เกาะพีพีกล่าวว่าหลังจากเมื่อ10เดือนก่อนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ประกาศปิดอ่าวมายาเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติเจ้าหน้าที่อุทยานประจําเกาะ มักพบฝูงฉลามหูดำเข้ามาแวกว่ายอยู่บ่อยครั้งถือเป็นตัวชี้วัดว่าระบบนิเวศ ท, ทั้งบนบกและในทะเลเริ่มฟื้นตัวโดยเฉพาะประการังที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่สามจังหวัดตรังและอาสาสมัครร่วมกันฟื้นฟูจำนวนสองหมื่นสามพันชิ้น พบมีการแตกหนอและมีการเจริญเติบโตดีเบื้องต้นคาดว่าจะมีการขยายเวลาการปิดอ่าวเพื่อฟื้นฟูออกไปอีกประมาณ 4-5 ปีตลอดหลายปีที่ผ่านมาอ่าวมายาจังหวัดกระบี่รับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวนมากบางวันในช่วงเทศกาลมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 5,000 คนซึ่งเกินขีดความสามารถที่จะรองรับได้ทําให้ระบบนิเวศ ท, ทางธรรมชาติถูกทําลายเข้าขั้นวิกฤตแนวปะการังถูกเหยียบและทําลายจากการถูกสมอเรือทอดลงมาซ้ําๆ ในนพื้ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจึงตัดสินใจปิดอ่าวเบื้องต้นเป็นเวลา6เดือนก่อนขยายออกไปอย่างไม่มีกําหนดเพื่อต้องการรักษาธรรมชาติในระยะยาวรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลทัญบุรี